من الشيطان الرجيم. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ن ذ ك ل ع ا م إن คุณละเจ้าคุณอาเจ็บอันเ่ย์วันจะเจ้านึ่ลมาทำว่ามาามาท عباد الله المخلصين ลَ ه า 2:1 ตินัยอาลัยอาลัยอา ق ัยอาลัยอาลัยอาลัยอาลัยอาลัยอาลัยอาล ع ยอาลัยอาลัยอา أ ัยอาลัย إ ا لذة للشربين، لا و ولا ف و ن ل هم فيها غول ولا ه َ ا ز ف و ن بسم الله الرحمن الرحيم.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 ا, أ, إ, أ ل ل ه h u m m a bika asbahna و bika amsayna و b ك k a nahiya و bika namutu وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء يوم في الأرض ولا في السماء وهو الس ال س م ع العليم رضيء بالله رب و بالإسلام دين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 วมิดาคำมันที่ฮียา حي ยยา قيوم บรหัมดิค์อัสตะริสุอัสริพ์ลีฉะนีคุลลูวและตกลีอีลาเนฟซ์ตรฟต์ عين พัศบีย์พัศบีย์อัลลอฮ์ว l หนือมลวุฒ a ล سلام ุลัยคุมนะรหัมตุอัลลอฮ์และบรักะทุอัลฮัมดุลลอฮ์ในน้องที่ร่วมงานศุบะที่มัสยิดอันวาลิสุนนะและในน้องที่ นั่งอยู่ที่บ้านท่านนะครับติดตามทีวีแล้วก็รู้ว่าไลฟ์อะไรทางไลฟ์ทางเซฟเฟซบุ๊กนะฮะทำทีลักทั้งหลายครับเวลาทำดูลิลล์เช้าเช้านี่พี่น้องครับตื่นขึ้นมาเนี่บนที่ น, นอนนะพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยพอนั่งเวลานั่งเนี่ยคนแก่ๆเนี่ยอย่าขึ้นพรวดพราดแต่นมนมอย่างท่านไม่มีปัญหา ต้องตะแทงขวาก่อนแล้วก็กค่อยๆดันสอบขึ้นมาพอคราวมันชาชราแล้วขึ้นชาชา้าพอนั่งเสร็จแล้วก็อ่านดวงอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฏีอาฮียานะบาดามะอามะตานะไวอิไลฮินูชูเนนบีสอนนบีไม่ใช่คนแก่หรอกตอนเสียอายุยุติสบสามยังไม่แก่ยังหนุ่มแต่สอนมาได้ยาก แล้วก็เมื่อตื่นนอนเสร็จแล้วนี่จะเข้าห้องน้ำอย่าลืมอ่ะมันละ ง, งัวงเงียงงงงี้ยอยู่ใช่ถ้าตื่นมาตะฮัดยุตในมามนมาสุบโบสบายแล้วตื่นตะฮัดยุดอย่างพวกเราในอายุแก่ๆนี่ที่ท่านนาบีสอนสนะุฮาวะเน่ยส่วนใหญ่ว่าก่อนมาสุบโบสักหนึ่งชั่วโมงช่วงนี้ก็ตื่นทัก สี่สี่สบห้านะกําลังสวยเลยนะอ่อพีน่น้องนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาต่อรอทั่วโลกก็ทํากันแบบนี้ไม่เฉพาะในในซาอดีทั่วโลกครับปองอุลมะห์นี่เขาก็จะแนะนําให้สอนแต่เรื่องดีๆที่มาจากอัลลอ์ทั้งหมดที่มาจากท่านนาบีพี่น้องครับการนึกถึงอัลลอ์ทําให้หัวใจสงบอันนี้เป็นเรื่องจริงนี่เราอ่านคนู่นั่งกันมาเนี่ย ทุกวันอาทิตย์ใช่ละ่ะเคยขออุทิไหมอขอดุทิจากกุอานนี่คือนบีขออุอย่างงี้จากอิหม่ามอมัริมฮุลลอฮ์อิหม่ามอมันะนะดีนะท่านขอดุทิว่าว่าท่านนบีขออุิศอย่างนี้เรื่องกุณอานนะอัลลอฮุมัจลิลุรานะโอ้อัลล์โปรดทาให้กุอานเล่มนี้ที่เราอ่านอยู่เนี่ยนะ รอบีอาลบีทำให้หัวใจของฉันเนี่ยสดชื่นเพราะอ่านุรานเล่มนี้อัากคุรานนี่อ um ัลลอฮุมจัลลุรานรอบีอากลบีโอลโปรดทำกุรานที่ฉันอ่านอยู่นี้นะทำให้หัวใจของฉันเนี่ยสดชื่นเรื่องที่สองวานูรสซอดรีจากกุรานเล่มนี้ละให ห, หัวอกของฉันนี่มีรัศมีเห็นยังนี่นบีสอนดีหมดเลยครับข้อที่หนึ่งรอเบลกอลบีทาให้หัวใจของฉันสดชื่นเรื่องที่สองนูรซอดอรีหัวอกไอ้ข้างใจมีข้า ง, างก้อนบุหรี่ขนายะมากสอดอุดุมข้างนอกอะ่ะทั้งหมดด้านหมดนี้ทั้งด้านนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยให้มีดานมีรัศมีศมข้อที่สมวาจาลาฮุสนี ยาลาเดาซับเดินแปลว่าเผาเผ า, เาให้หมดไปแต่ตรงนี้แปลว่าถอนออกไปถอนออกไปถอนอะไรครับฮุสเนีความความทุกข์ออกจากหัวใจเพราะคุรานเลนื่อนี้ต่อมาครับข้อสุดท้ายวาซาห์บาฮัมมีโอรอมมีโปรดขจัดซาฮับแปลว่าขจัดออกไปความไรนะฮัมมีความวิตก ว่ารอมีและความโศกเศร้านี่เรื่องทุกข์เรื่องความโศกเศร้าเรื่องความวิตกขจัดออกไปให้หมดจากหัวใจของเราเพราะอัลกุรอานอย่างอื่นไม่มีครับนี่คืออิสลามเห็นยังครับนบีชี้นำมาไว้หมดเลยว่าจะให้เรานะมีความสุขเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับมายึดอัลกุรอานมาหาความรู้จากอัลกุรอานมาอ่านอัลกุราาอานอัาอนมาอีเที่ยวนะ Allahumma จงทำให้ค um ัมภ ah ีร์อัลกุรอานเป็นร بيع หัวใจและแสงว่าง้องจรตใจและจงทำให้จิตใจของฉันสดชื่นให้หน้าอกของฉันมีรัศมีโปรดขจัด หรือว่าเอาออกไปให้ไกลนะครับเอาความทุกข์ออกไปจากจากตัวฉันแล้วก็โปรดขจัดความวิตกและความโศกเศร้าออกไปจากจากหัวใจของฉันทำโดยลีลาไม่มีใครสอนแบบนี้นะครับนอกจากความรู้นี่ผ่านผ่านอัลลอฮ์ผ่านจิบรีนผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดมาถึงพวกเราวันนี้จะทำโดยลีลาขอบคุณอัลลอฮ์นะครับวันนี้เรามาถึงกุณอ่านสุรอัลรอฟาซอฟฟ่านี่แปลว่าอะไร งทีมันก็ลืมนะแปลว่าการตั้งแถวต้องนึกน้ำมาดทุกครั้งให้ตั้งแถววันละห้าครั้งนี่บางคนยังตั้งบิดบิดบูนบูมีอยู่แถวหน้าไม่เต็มแถวที่สองตั้งไม่ได้มันต้องเตือนตัวเราเองแถวแรกต้องให้เต็มก่อนจากนี้บางคนมาเนี่ยรีบจะเข้าซอฟต์จะให้ทานอิมามอิมามจะจะจ ะ, จะรู้กล้วอยู่แล้วก็วิ่งผับปะ ไม่ได้ดูว่าซ้ายขวามันยังว่างใจใจ ไ, ได้อีกคนสองคนตั้งตรงนี้ปับนํามาเลยเนี่ยนบีไม่จะสอนเข้ามาสัสยิดต้องบิสตากีนะด้วยความสงบเดินมาด้วยความสงบม่นายบีสอนอนะ่ะบิสตากีน่ะ๋ต่พอตอนตายก็ตายแบบสงบใช่ไหมล่ะถ้าเข้ามาสัสยิดแบบสงบตอนตายก็ตายแบบสงบอัลฮัมดุลิลละผูกพันกับชีวิตเราหมดเลยกับ อสวะฟาเนี่แปลว่าไรนะผู้ตั้งแถวอตั้งคนตั้งแถวคนแรกคือใครมาลัยกาศ<ม>อยู่บนชั้นฟ้านะครับเอาวันนี้มาถึงอายาที่เทไรนะอยายะที่สามสิบเจ็ดนะครับวันนี้สิบอายาเยอะหน่อยธรรมดาหกเจ็ดอายาสาเหตุที่จะต้องอ่านวันนี้นะครับคือว่าต้องเท้าความเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนอายาที่สามสิบหกของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย เราเล่าให้เราฟังเราก็เข้าใจแล้วนะพูดมาอีกทีหนึ่งพูดเท่าความนะครับว่ายกูลูนะพวกเข า, าพวกเขาเหล่านั้นพวกใค ร, รนะมะพวกอาหรับมุชริกในกนะครมั ก, กะที่แอนตี้อิสลามที่แอนตี้คุรานที่แอนตี้นบีมุฮัมมัดว่านาบีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นบีของอัลลอฮ์หรอกอินน่าลัตาริกูอาลิฮาตินา จะให้พวกเราละทิ้งพระเจ้าย่อยๆของพวกเราแล้วก็ไปไปกราบลิชาเอนักกวีทิ้งพระเจ้าย่อยๆของเราแล้วก็ไปไปไนะไปกราบนักกวี แล้วก็มาจนูนุนคนบ้า น, นิ่ดาใครดานาบีเห็นยังครับเนี่ยเราเล่าให้ฟังเลยนะคนที่ด่านาบีนี่แหละเป็นไงคนที่ด่านาบีเป็นไงเอาวันนี้ที่ด่ากันที่ประเทศอะไรฝรั่งเศสเอาไปน้องคิดดูสิแล้วก็ทํากระตุ้นกระตูนล้อนบีอยู่ในข่าวทั่วโลกไปไปหมดแล้วมุสลิมนะสิ่งหนึ่งที่พี่น้องมุสลิมทําก็คือบอยกอดไม่ซื้อ ผลิตภัณฑ์จนะมาหน่ะของที่มาจากประเทศฝรั่งเศสมีหลายรายการนะไอเสื้ออะไรที่เราใส่มังตะกูอะไรพวกนี้นั่นก็ใช่ <c oughs> อาหารการกินหลายหลายชนิดมาจากฝรั่งเศสมดมุสลิมที่รักอัลลอฮ์รักลอซูล <c oughs> เขาจะไม่สบาใจกับแอนติคุรานสอนอย่างนี้นะครับวัยรุ่นเราไอที่บีอัลลอฮ์สอนสอนกานบีนะคุยเรื่องไอ้นี่เรื่องการเมืองนิดนึงนะ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นพวกเขาเหล่านั้นเห็นพวกยุโรมีแล้ะนะแล้กวก็เห็นอารับมุสลิกที่แอนตี้อิสลามเนี่ยท่านจะพอใจในร่างกายของเขาเวลาเขาแต่งตัวนะรูปร่างนี่สง่างามผูกเนกไทใส่โซโนอสง่างามไหมมองดูโอ้โหเท่น่าดูเลยแล้วก็มองมอ ง, มองมุสลิมมีคราวใส่หมวกต่างกันไหม โอโหอย่างกฟ้ากับดินอ่าใส่โตบหนังพลาสร์ลงแล้วมามัสยิดเจ๊ะไหมต่างกันไหมต่างกันวัยชารอยท่าฮุมตัวอจิบุกอจซามุฮุมเมื่อท่านนับีเห็นเขาเหล่านั้นเนี่ยท่านอาบีประทับใจหรือว่าพอใจบอดี้ของเขาร่างกายของเขาการแต่งกายของเขาวัยยากูลูตัสมาอเลกาลิมเมื่อเขาพูดเมื่อคนยุโรพูดเมื่อฝรั่งพูดเนี่ยนะ ทามีาบบีจะฟังทำไมต้องฟังล่ะพูดจากเก่งไปเรียนวิธีการพูดมาก่อน speed in front of of the people พูดยังไงต่อหน้าคนยกมือยังไงทำท่ายังไงชายภาษายังไ ง, ง, ไงเขาสอนมาอยู่มึงไทยก็สอนใช่ไหมนี่แหละในคุรานอธิบายให้ฟังบางหแล้วหมัมหมัดนะเวลาเขาพูดนี่เขาใชาา้ภาษาหน้าฟังมากเลยแต่งตัวก็ดนดีรูถูกใจก็ต่อมาพระว่า วิยาคูรูตัสมาหลืก่าหรือิบกาอันนาหุมคุชุบุมมุสันนาดาคนเหล่านี้ทั้งหมดนี่นะแต่งตัวดีผู้จาดีนี่นะมันไม่ต่างอะไรกับไม้ทังย่งไม้ฟืนหรือไม้ท่อนคุชุบแปลว่าไม้ท่อนมุสันนาดาที่พิงอเราเคยผ่านชีวิตชาวนามาใช่ไหมละ่ะเราเอาไม้ไม้อะไรเนะ่ะ ไม้ต้นสแก่สมัยก่อนใช่ไหมที่เราตัดมาตัดมาเอามาทำมาตะก่อนก่อนที่จะเข้าไฟเอามาพิงก่อนเอามาตากแดดก่อนนี่ละอธิบายตรงนี้กาอันนาหุมคูชูบุมมูซันนดาพวกเขาเหล่านั้นไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ที่ตัดมาแล้วก็มาพิงเอาไว้รออะไรรอให้มันแห้งแล้วก็โยนใส่อะไรโยนใส่ไฟนี่คุณเป็นแบบนี้ยาสซาบูนากุลลาซอยฮาตินาไลฮิม ทุกสิ่งที่ท่านนาบีสอนผ่านคุรานผ่านนาบีพวกนี้มองเป็นศัตรูมหมดเลยกอตาลาฮุมุลลอนี่ดวอาวสุธานเบียขอดุงอาอลัลลอฮฺขอดวอาขอดุง อ, อ, อาอย่างเดียวโอ้อัลลอฮฺโปรดทําทลายพวกเขาด้วยนี่เราต้องขอดุงอาเราวันนี้ขอว่าไงนะกอตาลาฮุมุลลอกอตาลามาจากติตาเราทําทำทำสงครามแต่ที่นี่มาใช่ ขอ อ, ออัลลอฮ์ปวดรายนะลงโทษเขาด้วยเพราะอัลลอฮ์รับแล้วลงโทษสุนยาจนลงโทษตอนไหนหลังตายบนดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้พรอสิขัดอัลลอฮ์มีใช่ไหมอัลละห์มานอัลลอฮ์ดูแลหมดทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมแอนตี้อิสลามแอนตี้คุรานแอนตี้อะไรก็ตามแต่อัลลอฮ์ยังดูแลอยู่ให้ริสกีอยู่แต่ก็มีภาษาอุดูสอนดีนะ ให้ด้วยความมั่นใจไม่ได้ให้เพราะความรักอย่างนี้เป็นต้นเอาแต่แต่แค่นี้พอจนลเรา่ยวันนี้เราขออุมาว่าไงนะก็จาราหุมุลลอฮ์ข้อที่หนึ่งไม่รับสินค้าสินค้าของพวกฝรั่งเศสไม่่ให้เข้าบ้านเรื่องที่สองก็จาราหุมุลลอฮ์ขอ อ, อุมาอัลลอฮฺจะปรดทำลายพวกเราด้วยอยู่ในกลุ่มพี่น้องมุสลิมเล็กๆนี่แหละพี่น้องอัลฮัมดุลิลละการดานะบี ว่านบีเป็นกวีเป็นคนบ้าเนี่ยใช่หรือไม่ใช่นบีใช่ไหมไม่ใช่ออาคำตอบอย่าที่3สามสิบเจ็ดเบลเจับิลฮักอัลลอฮฺอัลลอฮฺนี่คำตอบอยู่ตรงนี้ที่เอ็งดาใส่ร้ายนาบีเนาะไม่ใช่บัลเจับิลฮัก ว่ซาดกลมุรสัลีนบัลไม่ใช่หาใช่เช่นนั้นไม่ที่คุณใส่ความอบีว่าเป็นนู่นเป็นนี้เขียนการ์ตูนลอก็ฏีผิศทั้งหมดและคนที่วางแผนทํร้ายนี่นะอัลลอฮ์เก็บเก็บเก็บเก็บเก็บชื่อไหมเก็บเสียงด้วยเก็บภาพด้วยเก็บทั้งหมดทุกอย่างอยู่ในบัญชีของอัลลอฮ์หมดแล้วท่านถ้าต้องการจะปลอดภัยในโลกอาคือร์รหรือปลอดภัย หลังจากตายไปแล้วอยู่ในสุสานนะเปลีป่ยนแปลงตัวเองซะเตาบ้าตัวซะลุกโทษซะหรือหันมารับอิสลามซะบัลเจอบิลฮักตหาใช่ฉะนั้นไมยะะแปลว่านบีเนี่ยได้นำเอามายะอะแปลว่ามาใครอะถ้ า, ต า, ต, าตามตามตามด้วยบีนะยะอะบิลเนี่ยแปลว่านำมาอะยะอะบิลฮักต นบีเนี่ยเป็นผู้ที่นํามานําอะไรครับบิลฮักเตความอะไรความจริงคือชื่อกุรานเนี่ยมีทั้งหมดเนี่นะชื่อนะมีอยู่แปดชื่อแต่สิ่ฟัตของกูรานมีอยู่สิบเจดชื่อชื่อกุรานมีเท่าไหร่นะแปดชื่อซิ่ฟัตของกูรานมีอยู่สิบเจ็ดชื่อ หลากเฉพาะแปชื่อพอเพราะเราได้ยินกันมาแล้วข้อที่หนึ่งอัลกุรอานคำพีนเล่มนี้ชุดกุรานข้อที่สองเรียกว่ากิตาบอันที่สามเรียกว่าฟุรกรแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จเรื่องที่สี่อัลซิครูเรื่องที่ห้าอัตตันซีลที่ถูกประทานลงมาเรื่องที่หกอัลฮักกุนี่ไงชื่อกุรอานก็เรียกว่าอัลฮักกของที่นะเนนามานั่น คือ น, นาเอาแต่กุรอานเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องโกหกไม่มีแล้วก็เล่าอาดีตปัจจุบันในอนาคตด้วยเรื่องเรื่องที่เจ็ดอ่ า, านุบหะดีสเป็นถ้อยคำที่ดีที่สุดเรื่องที่แปดบุรหานเป็นหลักฐานนี่ชื่อของกุรอานมีทั้งหมด8ดชื่อผมเช็คเมื่อคืนเนี่ยช็กกุรอานโอ้มีทั้งแปดชื่อนะ่ะแต่ซิฟ้ามันมีอยู่เท่าไหร่สบเจ็ดีฟ้า คุณอานเป็นยาภาษาโลกนี่เป็นสิ่งฟันนะเป็นลักษณะนะแล้วก็เป็นนูรุลเป็นฮูดาเป็นนูนเป็นนี่นี่เป็นสิ่งฟันหมดเลยนะแต่ชื่อจริงๆมีอยู่เท่าไรแปดชื่อบางคนไม่ชื่อตั้งสองชื่อใช่ไหเราเองนี่ยอางผมมีชื่อมุสตาฟาอยู่ในบัญชีชื่อปัสเธอร์จากทีนต้นบางคนมีตั้งหลายชื่อใช่ไหมนี่ไงคุณอ่านก็กุณอ่านชื่อนำมาไว้คนมีหลายชื่อได้แต่พยายามชื่อเดียวดีกว่านะ ชื่อที่เรียกบนดวงยาเดี๋ยวเราจะเรียกชื่อในโล ก, ากหาคือเราในชื่อที่เราเรียกอยู่บนดุงยาใบนี้นนว่าซดดะกอลมุรซาลีซอดดะกอลเนี่แปลว่าได้ยืนยันนบีเนี่ยมาเนี่ยมาเป็นผู้ยืนยันนะยืนยันใครครับอัลมุรซาลีนบรรดาผู้ที่ถูกส่งลงมาทั้งหมดก่อนหน้านบี นบีมาเนี่ยครับนําอัลกุรอานมาละกุรอานที่นํามานั้นมีชื่อทั้งหมด8ดชื่อเป็นชื่อที่ดีหมดเลยเนี่ยอัลลอฮ์ตั้งเองเอยู่ในกัมพีกุรอานทั้งหมดแล้วก็มายืนยันว่าศาสนาที่นบีนํามาทั้งหมดนั้นเป็นาศาสนาที่ถูกต้องคืออัลอิสลามตั้งแต่อาดามบีบรอฮีมนัวอะไรก็ตามแต่คนสุดท้ายก่อนนบีผู้หมายคือนบีอีซาแล้วก็นบีคนสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัด นี่เอาล้อเล่าให้นบีฟังแล้วก็ยืนยันทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงหมดเลยไม่มีไม่ใช่เรื่องโกหกโอ้โหเห็นไหมสบายใจนะว่าอิสลามเป็นาศาสนาที่ถูกต้องที่สุดแล้วคุณอ่านนี่เป็นคำภีร์ที่ถูกต้องที่สุดเป็นเรื่องจริงและบรรดาหนบีที่มาก่อนหน้าหนบีทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยกับไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ต้องสงสัยที่คุณอานอิหมามอา่านมุจจิเนี่ย อลลอฮ์มีซาลิกันกิตาคำพีเรมนี้และรอยบฟัฟีไม่มีข้อสงสยัยคลางแคลงสบายในจะพราะอ่านกุณอ่านเขาอ่านนะั่งยืนยืนฟังอยู่อัลลอฮ์สบายใจอัลฮัมดุลิลลาต่งางไม่มีมานเพิ่มไงมานเพิ่มมีมาน เ, เพิ่มตลอดเวลาคําว่าซดดะก็ในคัมภี์กุณอ่านนี่แปลว่าผู้ที่ยืนยันว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยรู้ไม่ได้อะไรในอายะอื่นนะ วสอดดากอบิลฮุสนาฮุสนะแปลว่าใครที่ยืนยันว่าความดีไอความดีหมายถึงละอีละอินละลอใครที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ ฟาซานุยสัสเซรุหูลิลยุสรอเพราะเขายืนยันว่าอาลัลลอฮ์มีองค์เดียวนะว่าสดาคาบิลฮุสนาฟาซานุยสัสเซรุหูลิลยุสรออัลลอฮ์จะให้ความดีเนี่ยมาประสบกับเขาแบบง่ายได้เพร า, าะก ล, ล, ล่าวว่าเาออิทั่งอิลลลอห์ดูความบริสุทธิ์ใจนะมาสราวง่ายไหมง่า อัลลอฮ์แล้วก็ติดต่อก็ญาติพี่น้องง่ายไหมง่ายทําความดีง่ายหมดเลยถ้าเราเข้าใจเรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยนะอัลลอฮ์อักบาดดังนั้นเะรื Akbar. ่องหัวใจเนี่ยสาคัญที่สุดถ้าหัวใจยอมรับกุรอานยอมรับอัลลอฮ์ยอมรั บ, Allah, รบนบีเนี่ยนะเขาเรียกว่าอนะิคลาสอ่ะมันสุติแาบวมันก็อ่านกุฎบ้านนะ่ะอิคลาสอย่างเดียวเนี่ยทําให้งานเนี่ยสาเร็จเยอะล้นหมดเลยรู้ไหมคนที่ทํางานศาสนาทุกวันนี่นะต้องอิคลาสนะ ถ้อิคลาสแล้วนยิ่งจิงทุกคนทํางานกันหมดเลยเนี่ยนะคืองานอื่นก็ทําด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จะสอนอย่างเดียวนะงานอื่นก็ทําด้วยระหว่างที่สอนระหว่างที่ทํางานก็ด้ว่าไปในตัวเสร็จไงใช่ไหมออกจากบ้านทุกครั้งฉันออกไปเพื่อทํางานาศาสนาของอัลลอฮ์ไปทํามาหากินไปหาเลี้ยงสกีอัลลอฮ์ก็สั่งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ระหว่างที่เจอกับเพื่อนเนี่ย เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านอะไรก็ตามแต่จะอย่าคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอะไรพยายามจูงกันให้เข้าหาอัลลอฮ์เข้าหากุรอานเข้าหาสุนนะนบีให้มากที่สุดอัลลอฮ์จะอะไรนะจะทําให้งานการของท่านนี่สะดวกสบายแล้วก็นบีก็สอนอย่างงี้มุสลิมทั่วโลกเนี่เปรียบเสมือนหญ้าแพรกจ่ายง่ายใช่ไหมเปรียบเสมือนอะไรหญ้าแพกคนกาเฟสเนี่ย อย่างการพัฒนาชิปดีของฝรั่งเศสเน่ยเหมือนต้นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่นี่นะบีกุลอานอธิบายเลยนะเวลามันล้มเนี่ยทั้งรากทั้งโคนไปไปหมดเลยนะแต่หญ้าแพกเนี่ยเวลามันล้มถูกถูกหญ้าแพกเนี่ยหญ้าแพรกตายไหม <c oughs> มันก็รากไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดี๋ยวมันก็ขึ้นต่ออีกแล้วใช่ไหมนี่คือมุสลิมมุมินจะอยู่ทั่วโลกตรงไหนก็าตามเปรียบเสมือนหญ้าแพก เรื่องที่สอง <c oughs> เป้าหมายของคนกาฟเฟ่ที่อยู่บนโลกดวนยาใบนี้ที่ภาษาอุรดูทั้งหมดนะครับ <c oughs> เป้าหมายของชีวิตของคนกาฟเฟที่อยู่บนโลกดวนยาใบนี้เปรียบเสมือนยิงธนูใ น, ในเวลากลางคืนยิงธนูนยากใช่ไหมเป้าหมายมันมีใช่ไหมแล้วยิงในเวลากลางคืนถามว่าถึงเป้าหมายไหมถูกเป้าหมายไหมไม่ถูกครับนี่ การขี่นำแบบนี้ ส, สาสนพูดศรัทธาต่อหรนบีม u h a m m นี่เปรียบเสมือนอะไรพูดที่ยิงธนูในเวลากลางวันเห็นเป้าหมายชัดเจนอ่ะแต่มือต้องแม่นเลยนะถ้าไม่แม่นพลาดด้วยนะฉะนั้นคนกาเฟ่ที่อยู่บนโลกดุนยาไบนี้ที่แอนตี้อิสลามนั่นเขาเข้าใจผิดว่าอิสลามยิ่งแอนตี้แล้วมันยิงดับไม่ใช่ยิงแอนตี้ยิงอะไรยิงขึ้น ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอัลกุรอานอายาไหนสายาตุคูลูนาฟีดีนิลลาฮิอฟัฟเวจานี่อัลลอฮฺประทานคุรานลงมาให้เล่าให้นบีฟังพอนบีก็เครียดเหมือนกันในคนมาดานไล่นบีออกจากมักกาเนึกว่ามักกาจะโรกจังหวัดเต็มที่ไหนได้เราว่าฉันจะให้ท่านมายึดนครมักกาอีกพราะว่าฝรั่งเศสอาจจะเป็นประเทศแรกที่รับอิสลามในโลกยุโรปมั้ยใช่เหร แต่กันเมอนเืองเลยเด็กน้อยนะเพื่ออาชีพการคุณอ้ายานี้เข้าใจง่ายๆนะจะอับิลฮะติวาสอดะกอลมุรซาลีอัลลอฮ์เห็นไหมนบีเนี่ยไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่นักกวีนะครับอย่าคุณล่อๆตำหนินบีก็เชิญตำหนิไปเถอะถ้าไม่กลับตัวถูกแน่ๆนะครับและนบีเนี่ยมายืนยันบรรดา น, นาบีที่มาก่อนหน้านาบีทั้งหมดนั้น นำเอาความรู้ความนำเอาของสัจธรรมมาสู่มนุษยชาติเป็นเรื่องจริงตลอดเราสบายใจได้นะครับทัศนีอธิบายอย่างนี้นะครับค า, าว่าสวสซอดดอกลมุสลีเนี่ยไซนาอบูบากาเนี่ยเป็นสาวบ้านนาบีซื้อทาสปล่อยหกคนคุณพ่อบอกว่ า, วาคนเหล่านี้มาสนับสนุนท่านใช่ไหมฟาม่ามาดีนึก โปรดอยเป็นทาสหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เห็นอย่างครับซื้อทาสมาปล่อยแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนไม่ได้หวังก็จะเอาทาสทั้งหมดนี้มาดูแลเขาช่วยเหลือก็ไม่ได้นึกเลยปัญหาริสกีนเองได้ไม่ต้องผ่านทาสเอาแต่ดี้ได้หน่อยห่งเอะต่อมาอายาที่สาปดอินนักุมลาสักุลอาซาบิลอัลี إنكم لذائق العذاب الآليم إن กุมแปลว่าแท้จริงหรือว่าโดยแท่คนที่ตาหนิกุรอานตัมนินาบีตาหนิอิสลามดูถูกกุรอานอะไรก็ตามเนี่ยนะล ذائق จะต้องเป็นผู้ชิมเราชาติภาษาเพราะนะ เขาจะต้องจะต้องชิมเาผู้ล่อลวงคนให้ทิ้งอิสลามหรือคนที่ถูกล่อก็ตามที่เข้ากลุ่มที่แอนตี uran, ้คุณอานแอนตี้อิสลามนะครับทั้งหมดเหล่านี้นะล า, าอาชเขาเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ชิมชิมอะไรอัลอาฮาบการอะไรการลงโทษอัลอา ล, ลีมหนักหรือเบาเจ็บแสบยิ่งเห็นไหม ถูกแน่แคนที่ด่านาบีจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตางถ้าอยู่บนโลกใบนี้เองถูกแน่แน่อินนักุมละซาอิกุลอาซาบิลอาลีโดยแน่นอนยิ่งสูญเจ้าผู้ล้อเลียนผู้ถูกล้อเลียงที่เราเรียนมาแล้วใช่ไหมไปด่ากันในวันเกียร์มาใช่มหมเองใน ย, ยุฉันซื้อฉันให้ทํำนู่นทํานี่ให้ทิ้งอิสลามละวัดทั้งหมดนั่นแหละ ทั้งถูกซื้อดืคนเอาเงินเอาทองมาซื้อผู้คุณแล้วก็ดึงผู้คุณทำโน้นทำนี้ให้ทิ้นอิสลามให้ด่า น, นาบีที่ตำหนิอิสลามเนี่ยนะลาจาออกจะต้องถูกได้รับการชิมอัลละเจาการลงโทษอัลอาเลมที่เจ็บปวดยิ่งไม่ใช่คนที่ล้อนาบีอย่างเดียวถูกลงโทษคำว่าละเจา้าเอกในคอานะทัฟฟกุอ่านอธิบายมีอีกห้าห้าเรื่อง เรื่องที่หนึ่งคนที่ลืมอัลลอ์ถูกอีกอยู่บนดุนยาเนี่ยลืม Allah อัลลอ์อ่ะไม่ได้นึกถึงอัลลอ์เลยอยู่ไหมการนึกถึงตัวเองที่ดีที่สุดก็คือนึกถึงอัลลอฮ์พอนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความรู้สึกเนี่ยเป็นห่วงตัวเองไม่ให้ตกนรกเนี่ยถ้าลืมเองถูกแน่เรื่องที่สองคนที่อาธรรมต่อตัวเองอาธรรมต่ออิสลามถูก ชิมการลงโทษเรื่องที่สคนที่มีริสกีเยอะๆเนี่ยเอาอามุสลิมด้วยนะมีรีสกีเยอะๆะในเงินมีทองแล้วไม่จ่ายสากาดเองถูกแน่ๆถ้าไม่กลับเนื้อกลับตัวแล้วก็คนที่รับอิสลามแล้วก็มาทิ้งอิสลามเองถูกการลงโทษจากอัลลอฮ์แน่ๆแล้วก็คนที่ไม่เอาอิสลามเนี่ยตอนจะตายในมาลายิกามามาตอนมาถอดวิญญาณเนะี่ยมาทนะํารายนั่งมาขู่นะ ออกมาวิญญาณออกมาถ้าไม่ออกกระชากแล้วก็ขูว่าเดี๋ยวออกมาฉันจะตีคุณจนลงโทษคุณแล้วก็ชิมการลงโทษไปในไฟนรกเนี่ยคนกาเฟ่ลำบากมากครับพระอธิบายอย่างนี้มาต้องเข้าใจนะแล้วแต่อยู่บนดุงานี้ห้ามด่าคนกาเฟ่แต่ขอดูุาว่าไงก็ตาลาหูมุลลอัลลาจะโปรดทำลายพวกเขาด้วยโอเคเอตัตอมาับยัติสาสิบ ว่ามาตัวเจ้าหนาอิลามากุณตุมตามาลูนว่ามาตัวเจ้าหนาอิลามากุณตุมตามาลูนมาตัวเจ้าหนาแปลว่าสูเจ้าจะไม่ถูกตอบแทนนี่ความเป็นธรรมของอัลลอฮ อัลลอฮ์ไม่ลงโทษใครนะครับอัลลอฮ์ไม่ให้รางวัลใครถ้าหากเขาไม่ทำเอาไว้เนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่ให้ถ้าทําถึงจะให้ถ้าทําดีได้รางวัลตอบแทนดีถ้าเองทําชั่วๆนะแล้วเล่าด้วยนะด่นานบีในเรื่องชั่วนะด่าอิสลามเรื่องชั่วนะด่าศาสนาทยก็ผิดหมดทั้งหมดละแต่อัลลอฮ์าศาสนาของฉันนะอิสลามในาศาสนาของฉันนี่นะห้ามแตะนะห้ามแตะ ใครที่แตะกุณฑะแตะสุนนนาบีแต่อิสลามไม่ระวังว่ามาตุจะเจ้านะ่และสูเจ้าจะไม่ถูกตอบแทนอินลนอกจากจะไม่ถูกตอบแทนอื่นใดนอกจากอะไรมากุณตุมตามาลนูนอกจากที่สูขเจ้าได้กระทําไว้เท่านั้นเองคุณทําอะไรไว้วันนี้ เขียนกระตูนล้อนบีเองทำความผิดฉันจะคุณจะไม่ถูกตอบแทนนอกจากคุณทำอะไรไว้บนโลกดนยาใบนี้คุณก็จะได้อันนั้นเป็นการตอบแทนดีหรือชั่วตัดสินกนางวันลวันกีเยาวมาอัลลอฮอัลบัดนาอูซบิลละคนนี้นะอัลลอฮจะให้รางวัลตอนไหนหรือเปล่าตอนตายกรอานอธิบายอย่างนี้ วาวุฟิยาตกุลลนัฟสิ ม, มากระซาบอัลลอฮจะตอบแทนเขาให้ครบบริบูรณ์สิ่งที่เขาได้ประกอบเอาไว้หลังตายเห่ยังครับบนดุนยาเนี่ยยังไม่เล่นงานหรอกปล่อยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปด่าไปด่าสุนนะนบีไปล้อ ก, กระตูนไปล้อไปเถอะแต่มุสลิมทวนโลกเขอเอาว่าไง พูดใหม่ๆย้ำๆนะกอจะละหุมหลลอหนึ่งภายขอสินค้าสองก็ตะละหุมหลลอขอด้วยนะครับเอาต่อมาอ่าที่งสิ่งอิลลากบัดอัลลอฮิลมุคลอซินอิลลากบัดัลลอฮิลมุคลอซินคือพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมาจากไหนวะ ที่แสดงเผาคุรานก็ดีด่านาบีก็ดีด่าสุนารนาบีก็ดีล้อเลียนการ์ตูนรูปวาดการ์ตูนล้ลอนบีเนี่ยรู้ไหมอิทธิพลของใครนึกได้ัหยของใครใส่อะไรใช้ตอนทั้งหมดใช้ต้นอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยคนที่จะไม่จะไม่ทำลายอิสลามเนี่ยมีอยู่กลุ่มเดียว อันนี้อิลลากบัดัลลอฮิลมุคลาซีนยกเว้นปวงเบาของอัลลอ์อัลมุคลาซีนที่หัวใจของเขาอิคลาสุจริตมั่นต่ออัลลอ์อย่างแท้จริงคนที่จะไม่ตำหนิอิสลามไม่ดูถูกอิสลามไม่ได่นานบีเนี่ยนี่อยู่กลุ่มเดียวในโลก กลุ่มหนรู้ไหมอัลมุขลอีนคนที่หัวใจสะอาดอันคนที่ไม่ได่าอิสลามอาลัลลอฮ์ชวงว่าไงเอ็งใจสะอาดถ้าเอ็งดา่าเมื่อยเอ็งใจสกรปรกอิทธิพลของใครใส่ตอดให้หมดนั้นใครที่ไม่แอนตี้อิสลามไม่ได่นานบีแล้วก็เชื่อวั น, ว, นวันกิยามะมีจริง ตายแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอัลล์นี่นะคนนี้เป็นคนมุขลีซีนแล้วก็คำพิกากษาอายาอื่นอนธะิบา ย, ยางไงลำซุรอยลำลำลำยากนินน่ะว่ามาอุมิรุอิลลิยาบุดุลฮะมุคลีซีนละหุดีอัลลอฮ์นี่ไม่ได้สั่งนบีเนี่ยไม่ได้สั่งพวกเขาเหล่านั้นให้ทำอะไรหรอกเรื่องศาสนาอิสลามเนี่ย ต้องอยู่ในศาสนาอิสลามนี้แบบอะไรแบบหัวใจที่บริสุทธิ์อิคลาสใครยิ่งอิคลาสมากเท่าไหร่นะอิสลามยิ่งเจริญมากขึ้นเท่านั้นแค่ให้หัวใจเราเนี่ยบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไปน้องหัวใจนี่ไปน้องอิสลามจะเจริญเลยอัลลอฮ์ให้เจริญหมดนะ่ะอันนี้นตัวการจะพูดอย่างนี้นะ่ะนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะบรรดาสุฮาบานะบีเนี่ย ให้ความสาคัญกับเรื่องอามัณด้านไหนมันมีอามัสองอามัณนะอามัณด้านร่างกายกับอามัณด้านหัวใจบรรดาสุขบ้านนบีทั้งหมดและนบีด้วยนบีสอนด้วยนะเขาจะให้ความสาคัญกับด้านอามัณด้านหัวใจมากกว่าอามัณด้านด้านปฏิบัติด้านหัวใจเนี่ยมากกว่า โอ้เห็นไหมแค่นี้หัวอามันด้านด้านด้านหัวใจมีเท่าไหร่มีประมาณหข้อก็เจดข้อแล้วกันเจ็ข้อง่ายๆนะอามันด้านหน้หัวใจนะมากกว่าอามันด้านนั้นนะด้านปฏิบัติด้านด้านด้านด้านด้านปฏิบัติมีมีสองอย่างหนึ่งนามาตนามาสุนัตเนี่ยอามันหมดเลยใช่ไหมต้องรู้ก้วต้องรู้ยูนี่อามันหมดเลยนะแล้วก็ เออสุยามถือบวชนี่งานหนักทั้งคู่นั่นแหละคนที่ทําแบบนี้นะแค่สองสามรายการนี่แหลนะนั่นนั่นอามันนะด้านร่างกายส่วนอามันด้านด้านหัวใจมีอามันเจ็ข้อข้อที่หนึ่งอิคลาสความบริสุทธิ์ใจยังใหญ่มากนะครับพี่น้องเรื่องที่สองอีนาบะกับตัวทํรราอะไรผิดนิยามดันทุรังแช่แช่บาปตัวเองเอาไว้แล้วก็อายุแปสิคอยตาบะ เอ็งจะถึงหรือเปล่าแปดบห้ารีบต่อใบตัวเลยนี่ด้านอามันด้านไหนด้านหัวใจเรื่องที่สมตะวักกุลมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์เป็นอามันด้านหัวใจเรื่องที่สมะฮับบะหมาจถึงเชื่อฟังอัลลอฮ์รับอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์เป็นอามันด้านหัวใจเรื่องที่หกมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ายากอยู่กับอัลลอฮ์ยากอยู่กับศ า, บ Allah, าบ ส, สนาของอัลลอฮ์ เนี่ยเป็นอามันดานหัวใจข้อที่ที่หกรอดบักกลัวอโลไม่กล้าทําผิดเจอสตังตกอยู่หน้ามัสยิดเนี่ยหมื่นบาท น, น่ยไม่กล้ายิบหยิบมามาทำมาได้มาประกาศนี่ตังคายไม่ใช่เอาใส่กระเป๋าทีสกีของฉันกับบ้านเฉยคนที่กลัวอโลเขาไม่กล้าทำเข้าใจนะยกตัวอย่างข้อที่เจเนี่ย ให้อภัยกับคนนี่อามันด้านไหนด้านหัวใจหมดเลยดีหรือไม่ดีพี่น้องตกลงว่าโฮอามันด้านด้านหัวใจในี่มีกี่ข้อนะเจ็ดข้อพูดใหมนะ่นะนํามาไปใช้ผมก็ใช้ยอยู่นะทุกวันนี้หนึ่งความบริสุทธิ์ใจสองกลับนัวกลับตัวคนที่กลับตัวต้องใช้คำนี้เยอะๆอัสตอเรโรลล์อัสตอเรโรลล์อัลสตอเรโรลล์นี่คนที่นึกถึงความผิดตัวเองแปลว่าไงนะอัสตอเรโรลล์ เรื่องที่สมแต่ว่ากุศลมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์เศรษฐาริสกีเนี่ยมอบกับอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยนะครับเรื่องที่สี่รักอัลลอฮ์หมายถึงเชื่อฟังอัลลอฮ์เรื่องที่ห้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่ใกล้อัลลอฮ์อยู่ใกล้อิสลามอยู่ใกล้สุนัขนบีอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์มีความอยากเรื่องที่หกเป็นน้องกลัวอัลลอฮ์ไม่กล้าทําความผิดใดๆทั้งสิ้นจะเป็นเล็กหรือใหญ่ก็ตามเรื่องที่เจดให้อภัย อัลลอฮุอักบัตนี่ใครสอนไปน้องชันฟ้าให้ยิบรียนมาบอกกับนบีนบีเอามาเล่าผ่านอัลกุรอานทั้งหมดนี่ข้อสรุปสั้นๆนะยีน้องเอาต่อมาครับต่อมาอายะต์อะไรนะยะ์ที่ส1สบอ็ดตกลงว่าใซต์ตอนมันไม่กล้ายุ่งคนที่อะไรนะคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮและอีกหกข้อเจ็ดข้อ พยายามรักษาเอาไว้ตลอดเวลาข้อที่สี่สิบเอ็ดยาที่สี่สิบอ็ดอุเยกาละหุมริกุมมัลลูมอุยกาละหุมริกุมมัลลูมอลนี่อัลลอฮ์ให้รางวัลและที่ผ่านผ่านมาน่ลงโทษให้นรกทะเลาะ ก, กันอะไรกันใช่ไหม พอคุยเรื่องคนปฏิเสธอิสลามดาอิสลามดานบีเล่าลงโทษด้วยทะเลาะกันด้วยจะไม่พอจบแล้วมาเล่าคนที่หัวใจที่สะอาดปกป้องอิสลามดูแลอิสลามหัวใจสะอาดบริสุทธิ์หกข้อเจ็ข้อเมื่อตะกี้นี้อัลลอฮ์ให้อะไรรู้ไหมอุลอยกาละฮุม ah um, ลาสสำหรับพวกเขาเหล่านัา้นอุลอยกอยู่ทั่วโลกเลยพ่น้องจะอยู่ตัวไหนของโลกก็ตาม ล้ฮุมสําหรับพวกเขานั้นริสกุลมีเครื่องอยังชีพมีริสตีมาลูมนุนเป็นที่รู้กันแล้วทําไมต้องพูดว่าริสกีเป็นที่รู้กันแล้วให้เราอ่านคุณอ่านต่อไปจะเจอไงริสกีที่อัลลอฮฺเตรียมไว้ในโลกอาคีรอสาหรับคนที่หัวใจที่สะอาดมุคลิสอิคลาส หัวใจที่อะไรนะกลัวอัลลอฮ์ว่าใจที่เชื่ออัลลอฮ์ว่าใจที่ตั้าตรตัวต่ออัลลอฮ์ว่าใจที่ให้อภัยคนหัวใจที่อยากได้ของดีๆจากอัลลอฮ์คนเหล่านี้นี่นะอัลลอฮ์เรียกว่าอุลาอยกคนเหล่านี้แหละจะได้ริสกีของอัลลอฮ์เป็นที่รู้กันแล้วเป็นที่รู้กันแล้วอธิบายอย่างนี้ริสกีต้องต้องปฏิ ต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องเทียบเลยนะเทียบดุนยากับเทียบริสกี้อาคิวรอ ด, ด้วยอยู่บนดุนยานี่พอกินอาหารมื้อนี้อย่างมืชาวเนี่ยกินอาหารพรยาบริการ จ, จัดนู่นจัดนี่มาให้ทานหรืออามัดมนเลี้ยงทิเราเนี่ยนะพอกินแล้วมื้อนี้แล้วพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าคุจะกินหรือเปล่าเนี่ยยังสงสัยอะ่ะใช่ไหม อยู่บ้านก็เหมือนกันกินอาหารวันนี้มีกินนู่นกินนี่สองสามรายการภรยาซื้อให้ใจเพีงต้องนึกแล้วพรุ่งนี้จะได้กินแบบนี้หรือเปล่ายังไม่รู้แต่ในอาคิรอลไม่มีครับถ้าได้ทานอาหารแล้วพรุ่งนี้ที่สองวันที่สามที่สไม่ขาดต้องมั่นใจตรงนั้นเลยว่าริสกีบุญญยาโอกาสหมดมีไหมมิบดบุญญยานี่นะมันหมดนี้ล่ะบางทีมีอยู่ต่อนหน้าเรา กินไม่ได้ท้องเสียเจ็บคอเป็นหวัดกินได้ไหมริสกีบนดุญยาคนที่เป็นมุมินอิคลาตต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาจะนึกทันกินเล็กน้อยพออยู่ได้ให้คนนี้กินคนเป็นห่วงอ่ะนี่เป็นห่วงคนเด่นวฉะนั้นอาจารย์ในเดียร์อาจารย์เพืน่นผมนมานาอลมาใหญ่ๆเนี่ยอย่างนาบีเนี่ยสวัสดนนบีไม่เคยทานอาหารคนเดียว เวาลามีอาหารกินเนี่ยนึกเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้ไปตามมามานั่งกินด้วยกันสองคนสามคนนี่ความรู้สึกเป็นห่วงคนอื่นน่ะริสกีบนดุลยานี้ในอาคี้ร้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องอารม์จัดเป็นที่มะรวมเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าริสกีนั้นมีสม่ําเสมอเอาต่อมาครับข้อที่4ีบสทุลุริสกี ม, มีมีไม่ขาดสายนะมีริสกีอะไรบ้างข้อที่4ี่สบส ฟาวากิฮาวะฮุมมุครอมูนฟาวากิฮาวะฮุมมุครอมูนฟาวากิแปว่ารผลไม้อัลลอฮฺพี่น้องอัลลอฮฺให้ริสกีกับชาสวาารรค์เนี่ยนะผลไมก้ก่อนอ่าผลไมก้ก่อนเพื่อนที่จะชิมอหารอย่างอื่นกินผลไมก้ก่อน วันนี้คนที่เอาเอาความรู้ผ่านกุณอ่านไปะชายนี่นะนี่ผมรักษาตัวผมเองนะผมทานผลไม้ก่อนจะไม่ทานอาหารหนักทานผลไม้ก่อนผมทานมามาสักอกจะเดือนแล้วแข็งแรงเงดือนทาำกุ้งอ่านนี่อัลลอฮฺจะให้ริสกีกับชาวสวรรค์ให้สิ่งแรกอะไรก่อนฟาวากีฮผลไม้ นี่พระหุพศนะถ้าฟากี่ฮะเอกพศฟาว่ากิบกผลไม้หลากชนิดที่กินผลไม้ในสวรรค์ไม่ใช่กินเพราะหิวกินเพราะอะไรเทสติงอยากจะลองดูอ๋อพี่น้อมฉะนั้นอยู่บนดุนยาบีนคนที่เดินตามคนอานทานผลไม้ก่อนนะอาจเป็นกล้วยหอมก็ได้กล้วยนว่าก็ได้สักลูกนึง ฝรั่งก็ได้กินผลไม้ ก, ก่อนแล้วตามโดยอาหารหลังนะแข็งแรงใช่ลหลฮะอ่าทีนี้อลัลลอ์เล่านาบอันให้ต้อนรับคนมุมลิมผู้ศรัทธาที่ปกป้องอิสลามบนโลกโดนยาใบนี้ขณะเขาด่ามาอะไรมากล่าวว่าไงแค่แอนตี้อะไรนะแอนตี้สินค้ากลับกล่าวว่าก็าาจะลามุลลอัลลอ์จะเตรียมเตรียมสวรรค์ให้ในสวรรค์มีอะไรบ้างหนึ่งอลลอ ให้ริสกีริสกีเรื่องที่หนึ่งคือผลไม้วะฮุมมุคลอโมแลพวกเขาได้รับเกียร์ไปน้องนึกสิเราไปไหนมาไหนมีคนให้เกียร์เราดีใจไหมยอย่าลืมว่าเข้ามาสัสยิดบ้านอาลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์เป็นเจ้าของบ้านน่ะนบีสอนเองนะทุกคนที่เข้าบ้านอัลลอฮ์เราเป็นแขกของอัลลอฮ์อัอลลอฮ์ดูแลครับมสัสยิดทั่วโลกเราดูแลครับไปน้อง แล้วก็ขอดุทิศด้วยอัลลอฮุมะอัลลอฮ์อภัยยโทษนั่งกับคนที่นั่งอยู่ในบ้านฉันประทานรหฮมะอภัยโทษประทานรหฮมะความเมตตารหฮมะให้เมตตาให้แล้วก็อภัยโทษให้รับการเตาบากของเขาด้วยเวลามานั่งอยู่ในบ้านอัลลอฮ์เดียวกับมัสยิดเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาลายกามาขอดุทิศให้สามเรื่องหนึ่งประทานความเมตตาให้กับคนที่นั่งอยู่ในบ้านฉัน สองให้เขาโอ้อลลอฮฺมาเลยกาขอนาให้อลลอฮฺรับการตอบ้าปของเขาด้วยข้อที่สามอลลอประทานรักมากความเมตตาให้ด้วยเห็นยังเอาต่อมาครับผลไม้ในสวรรค์เป็นอย่างงี้นะครับมันมีคู่ตัวผู้ตัวเมียออลลอฮฺพี่น้องรสชาติต่างกันนะกินตัวผู้ อร่อยผู้หญิงกับผู้ชายอยู่กันไปไงนึกภาพตรงนี้เลยโอใช่ใช่อ่ะมีความสุขจังดูเขเลยห้ามทะิลี่ยนยิงแต่ ง, งานใหมายใช่ไหมเหมือนกันเราอยู่กับผลไามาย้ยิงกินยิงอล่อยอร่อยประบาดไม่ใช่กินเพราะหิวกินเพราะอยากจะทดสอบชิมชิมชิมเอาต่อมาครับแล้วก็มีผลไม้ให้เลือกโอ้โหพี่น้องพันพันชนิดเลือกตามสบายนึกภาพในะสวรรค์ก่อนนะต่อมายาาที่สี่สิบสา ฟีญานตินไนอลัลลอฮฺประกาทั้งหมดนี่นะอลัลลอฮต้อนรับชาวสวรรค์นี้อยู่สิบรายการแต่วันนี้สอนไปหมดเวลาหมดก่อนฟีจั น, นตินไนยอยู่ในสวนสวรรค์อันรื่นรมรื่นลงภาษาสูงนิดนึง อันสบายและพี่นอ้อยู่ในสวนสวรรค์อันสบายอัลลอฮฺพี่น้องเนี่ยเล่าเล่าสิฟธตของคนชาวสวรรค์ให้ฟังพราะก่อนหน้าอยู่บนดุลยานั้นปกป้องอิสลามรักอิสลามแล้วก็ไม่รักสุนน่านบีอัลลอฮฺพี่น้องทำความดีทั้งหมดหัวใจสะอาดบริสุทธิ์นี่ตอบแทนรางวัลแล้วนะอยู่ในสวนสวรรค์อัลลอฮฺพี่น้องกัอายาที่สี่สิสี่ ในสวนสวรรค์มีอะไรเวลานั่งนั่งเก้าอี้แบบนี้หรือเปล่าอลาสุรุริมมุตะกอบิลีนอาลาสุรุริมมุตะกอบิลนาลาสุรุรมมตรเป็นจำะของคำว่าสารีรุนประวตเตียงนั่งอยู่บนเตียงหรือบนแท่น อ, อ, อัลลออักบารไอแท่นแทนเนี่ยใครเขานั่งกันลละส่วนให ญ, ญ่ก็เป็น กษัตริย์ฟาโรนั่งก่อน <c oughs> อลัลลอฮ์ให้กษัตริย์ฟาโร่บนดุนยาอย่างเดียวพวกเราวันนี้ยนั่งกับพื้นใช่ไม่ใช่เหมือนใครเหมือนท่านนาบีแต่ในวันเกียร์ามาอัลลอฮ์ไม่ให้นั่งพื้นอย่างนี้เราให้นั่งบนไหนบนแทน่นเพราะว่าเราถ่มตนอยู่บนดุนยานี่ให้อภัยกับคนที่ด่าเราบนดุนยานี่เราทําทุกอย่างตามที่ท่านนาบีสอนหมดเลยเอลัลลอฮ์เลยตอบแทน อยู่ในสวรรค์ไม่พอนั่งอยู่บนแท่นอัลลอฮฺแท่นแบบไหนมูตะกอบิลีนอะไรนะเข้าหันหน้าเข้าหากันอยังครับพี่น้องนี่นั่งอยู่ที่มัสยิดแบบนี้อย่านั่งมองคนคนเดียวนะ่ะแต่ในวันเกียรมากไมนจะนั่งแบบนี้แบบนั่งแต่งงานใหม่ๆนั่นแหละไหนะ เอาหน้าเข้าหากันเอาลอย ไ, ไหมนั่งอยู่บนเตียงนั่งอยู่บนแทน่นเอาลอยแล้วก็หันหน้าเข้าหากันผมเช็คกุณอ่านนะคำว่าเตียงนี่นะหรือว่าแทน่นอยู่ในสวรรค์มีอยู่สามอายะอายะที่หนึ่งอิลลัสูริรมอุสูฟะอยู่บนเตียงอยู่บนแทน่นเรียงชิดติดกันไม่ใช่อยู่ห่างกันนะชิดกันแทน่นชิดกัน อยู่กับใครกันนึกภาพนึภรรยาก็แล้วกัน อ, อยู่กับเพื่อนผูมก็ชิดกันนะไม่ได้ห่างกันนะชิดกันอารูรสูริมเมาดูนะอยู่บนแท่นที่ประดับด้วยทองคำอยู่บนแทน่นแท่นประดับด้วยอะไรทองคำที่่านนั่งอยู่เนี่ยอะไรนี่พลาสติกกับเหล็ก นั่งเจ็บไหมเจ็บก้นอล๋อแต่ในวันเตียง ม, มาไม่มีแล้วไอาภาพเจ็บๆไม่มีแล้วอีกอายาหนึ่งสุรอกยอล่ะสรุริมมารฟูอะมีแท่นที่ถูกยกไว้สูงอ๋อลองนึกภาพเองก็แล้วกันมีสามสิบแปนะหนึ่งเตียงชิดกันสองทำ ม, มาจากทองอันที่สามมีเตียงที่ยกสูงอลอลองตั้งาทำดูลยเลยอย่าข้าวนะ รอก่อนให้ตายก่อนแต่มาแย่ที่45อยู่ทอฟุอาไลฮิมบิกะบิกะซิมมิ ม, มอนยู่อฟุอฮิมบิกะซิมมิ ม, มนเวลาจะกินนงกินน้ำเนี่ยต้องเดินไปตักเองไมอะนึกถึงภาพโดนยาเนี่ย ภาพดุนยาเนี่ยจะกินข้าวต้องตากเองใช่ไหมอล๋อถ้าภรรยาเป็นห่วงเราก็เดี๋ยวฉันตากข้าวให้พี่เราก็ยิ้มแต่เหนื่อยมันนะกินข้าวกัเหนื่อยนะจยกินกินบุฟเฟตโอ oh, ต่างคนต่างต่า ง, งตากเองมาแยกกันอีก oh, oh, นึกภาพบนุญานี้ก่อนแต่ในสวรรค์ไม่มีครับอยู่ตอฟอยู่ตอเอะไรนะ หมุนเวียนมีคนมาบริการเดินหมุนอยู่อยู่โต๊ะแปลว่าตวักนแหลว่าตวาักเเดินหมุนกล้าบ้านอยู่ใช่ไหมอยู่โต๊ะแปล ว, ว่ามีคนมาเดินหมุนเวียนใครอยู่ไหมอะไรหิมบนพวกชาวสวรรค์นั้นบิกะสินเอาแก้วน้า ม, มาด้วยมีคนเอามาบริการบริการกินผลม้เสร็จแล้วมีอะไรตามนะ กะซินด้วยแก้วน้ําคําว่ากะซุนในภาษาอาหรับนี่นะแก้วที่มีน้ำนะคลาสเหมือนกันเอาอเอาคุรานภาษาอาหรับไปใช้นี่แกาสกับกะซเหมือนกันเอาต้องมีน้ําถึงจะเรียกว่ากะซุน้าน้ําไม่มีเขาเรียกว่าอีนาอูนภาชนะนี่ภาษากุรานอัลลอฮฺเป็นต้องอัลลอฮฺสบายใจอะ่ะ แค่นั้นอยาตทอฟ่ยูตอฟงอะไรหิมบิกะซิมจะมีถ้วยที่มีน้ำไหลเต็มถูกเวียนรอบแก่พวกเขามิมหมายแวนะ่าหนักเต็มน้ำเต็มแก้วเลยไน้องมาบริการเรามาเสิร์เราอัลลอไปน้องครับบ า, บางคนอธิบายว่าแก้วน้ำ ม, มันลอยมา <c ười> บางคนแปลว่ามีเด็ก ผู้หญิงมีเด็กเด็กผู้ชายหนุ่มๆนุมเลียเด็กรอรอเนีนะเอามาบริการเราเอางทีเจะเอาแบบแบบลอยมา ก, ก็าเชิญฉันต้องการแบบให้คนมาบริการเชิญเอาต่อมาครับทีนี้อคำว่าแก้วน้ำเนี่ยในอยายอื่นอธิบายอย่างนี้ว่ากาสันดิฮาก็แก้วที่มีเครื่องดื่มเต็ม วกะสังกามิจายูฮาจันจับีลาแก้วไม่มีเครื่องดื่มที่ผสมด้วยขิงนี่โรคโควิดนี่พี่น้องคนที่ไม่เป็นโรคโควิดกินน้ำขิงบ่อยๆไม่มาครับนี่ขามันออกมาแล้วประเทศไทยในโรคโควิดติดน้อยเพราะกินกระเทียมกับอะไรนะกินของร้อน กินกระเทียมเนีพวงพริกน um> ี่ยโอ้โหแต่กระเทียมอย่าลืมนะกินกระเทียมก่อนมาสู่เราต้องทำอะไรแปรงันก่อนพราะมันช่วยโรคได้เยอะแต่ว่ากินโอ้กินชั้นหนึ่งเลยพระยารู้งานให้พระยารู้นะอตัวมาครับยะตาณเจ้านกะสัลลาละกวฟีฮ์เวลาตะซีกินน้ําจากแก้วนี่นะ แลกเปลี่ยนกันฉันดื่มหนอ่อยเธอเธอดื่มหนึ่งสมัยนี้แก้วไข่แก้วมันอย่า ก, กินรอยกันนะนตรายถูกไมถูกห้ามหมดเลยใช่ไหมช้อนไข่ช้อนมันมือไข่มือมันแก้วไข่แก้วมันโอ้ระวังระงระวังโรคโควิดแต่ในวันโน้บบ น, นไม่ใช่ทำดูลลแลแลกฉันกินแก้วเธอมากินกันโอ้อักบันึกภาพนะ อย่านึกนึกภาพบนดุนยาก็นึกภาพตรงกันข้าไปนลูกอาเกรออัลลอฮฺว่าก็บัเอาต่อมาครับคำคว่ากะเินอย่างเดียวอธิบายนะมิงกะสิงกะนามิจายุฮะกะฟูโรแก้วน้ำซึ่งผสมไปด้วยการะบูนอัลลออันแรกนผสมด้วยอะไรนะขิงอายาที่สามเนี่ยผสมด้วยการะบูนหอมเอาก็เลือกมาสิ จะเอาการบูนหองก่อเชิญจะเอาขิงก่อเชิญที่กินในสวนสวรรค์มาติพวกโจโรว้โควิดไม่ใช่อลัลลอ์มอบให้เพราะเองปกป้องอิสลามดูแลอิสลามไม่ด่านบีไม่ดาา่ดากุรอานอ่านอัลกุรอานอยู่บนมิยาอาอาราังวานไปอลัลลอฮ์อับาทยาที่สีส่สี่เป็นลักษณะของคนชาวสวรรค์ที่อลัลลอ์ตอบรับนะให้นะ ใบด้าลิ้นจ๊ะติ ล, ลิชรีบีนใบด้แปลว่าน้ำที่บริการในวสวรรค์อยู่ในแก้วนะสีอะไรใบด้แปลว่าสีขาวนี่มันเอาน้ำให้ผมเน่สีเหลืองเพราะมีชายอยู่ ใบดบสีอะไรสีขาวแสดงว่าสีขาวนี่อัลลอฮ์จัดให้อัลออลอฮ์เพราะว่ามันต้องมีเค้กมายู่เดี๋ยวอัน่านไปจะเจอต่อมาครับเรื่องที่สองลาซาแปลว่าอร่อย delicious อัลลอฮ์ลาซาแปลว่าอร่อยกินแล้วอร่อยจะเป็นน้ําผ่านจระบูนหรือผ่านขิงก็ตามอัลลอฮ์หรือน้ำส ะ, สะอาดอย่างเดียวก็แค่น้ําอย่างเดียวนะ ดื่มแล้วลาซาอร่อยลิชารีบีแก่ผู้ดื่มทุกคนโอ้นข้อที่หนึ่งใบบอสีขาวน้ําสีขา ว, ขาวลัซาอร่อยจะกินน้ําขิงก็อร่อยน้ํากระบูนหอมก็อร่อยน้ําธรรมดาก็อร่อยอัลลอฮฺอักบารต่อมาลิชารีบีแก่ผู้ดื่มทุกคน บบอัลลอฮอัลลอในท afsir อธิบายบบว่าสีน่ะสีสีขาวนามสีขาวแก้วก็สีขาวด้วยละ่ะนะลิฉแล้วก็สังเกตไหมบนโ ล, ก, ลกดุนยาบนนขดยกแก้วบนก่อนนี่ฝรั่งก็สอนเอาไว้ใช่ไหมเราไม่ดูอะไรดูมีของมอันตรายหรือเปล่าที่อยู่ในแก้ว เมืองไทยทัยโลกนี้และแก้วเปลี่ยนก็นได้ไหมไม่ได้แต่ในส่วนสวรรค์เปลี่ยนได้ไหมห้าม โ, โดยลิลล์นึกภาพอายุที่สี่สิบเจ็ดะสุดท้ายครับลาฟีฮะเลว์กลุ่มวะลาหุมอันฮายุนซาฟูนลาฟีฮะกลุ่มวะลาหุม อันฮายุนซฟูนอัลลอ์นี่ริสกีชาวสวรรค์อธิบายเรื่องเรื่องไรนะเรื่องเครื่องดื่มในสวรรค์ลาฟีฮะในน้ำที่ให้ดื่มนั้นไม่มีเราลุ้นดื่มแล้วไม่ปวดศีรษะดื่มแล้วไม่ปวดศีรษะไม่ปวดหัว กูลงว่าที่ให้ดื่มนั่นเหล้าน่ที่ให้ดื่มนั่นเหล้าเนบะี้อยอะไรก็ตามแต่ที่เรียกบุญยาไปเนี่ยแล้วก็วาลาหุมอันฮายุนสีฟูนแล้วก็ไม่ไม่หมดสติไม่ไม่เมาไม่เมาด้วยไม่ทำไม่ปวดหัว ไม่ทำไม่ปวดหัวแล้วก็ไม่เมาโอพี่น้องอามานี่มาดูตับซีตับที่อธิบายอย่างนี้นะเหล่าของมืนเมาบนบนบ น, บนดุนยานี้มีสี่ชนิดเวลาดื่มไปแล้วมีสี่ชนิดเขาสังเกตกันมานะข้อที่หนึ่งนี่ท่านเออไซนาอิบอิบอับบาท่านดิฮาท่านกอตาดาใครๆหลายคนสรุปแล้วว่า ของมืนเมาเล่าบนดุนยาใบนี้ดื่มแล้วเมาสองดื่มแล้วปวดหัวสามดื่มแล้วอาเจียนสี่ดื่มแล้วฉี่ๆๆละจียงไหมจริงครับคนที่ดื่มเหล้าเมาๆเดี๋ยวก็ฉีแต่ตรงนั้นแหละเห็นยังครับเรายิมผ่านเวลาชีวิตจริงจังมากหนึ่งกินเหล้าแล้วเป็นไงเมา เรื่องที่สองปวดหัวเรื่องที่สามอาเจียนเรื่องที่สี่ชีผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเรียนหนังสืออยู่ที่เที่อินเดียนะเป็นคนอินเดียนะคนอินเดียเนี่ยอยู่ภูรัตเนี่ยเปิอกับผมเลยผมก็ไปกับมันครั้งหนึ่งก็กินเหล้าเมาแล้วต้องอิ้วหิวมันกลับบ้านอาเจียนอีกชี้อีกนึกแล้วโอ้ใช่เลยเนี่ยใช่เลยชื่อประยุทธ์ไม่ใช่นายุคนายกในน้าชื่อประยุทธ์ นึกภาพอยู่เอารอนี่มันเรื่องมันสี่สิบปีแล้วพออ่านอาาธนี่นึกนึกถึงเพื่อนนั่นรอวชื่อประยุทธ์เราต้องไม่เคยหิ้วคนคนเมาเพิ่งเห็นวันนั้นแล้วก็นึกภาพพระอ่ากคุรอามาแล้วก็รู้อ๋อคนเมาเป็นอย่างงี้นะหนึ่งฉี่แตกสองเมาสามปวดหัวอาเจียนครบหมดเลยพออ่านกุรุอาแล้วเข้าใจแล้วอ๋อครบเพื่อนนย่นะถ้าคบเพื่อนไม่ดีต้องต้องหิ้วมัน่ะ อ่อมากับตัวหลวงว่าในทับซิษอธิบายบอกว่าตับซิษมาวันดีอธิบายดีเขว่าในในสวรรค์เนี่ยนะหนึ่งกินแล้วดื่มแล้วไม่ทําให้ปวดหัวอันที่สองดื่มแล้วไม่ทําให้ปวดท้องอันที่สามดื่มแล้วไม่มีอันตรายในสวรรค์นะอันอันอันอันที่สี่ดื่มแล้วไม่มีโทษ อันที่ห้าดื่มแล้วไม่ทําให้สติมึนตัวเรามัเครียบหมดเลยสะอาดหมดเลยต้งข้างกับโลกดุจยาใบนี้อโลยอน้อนครับสรุปว่าชีวิตมันุดุจยากับชีวิตอาคีรอต่างกันไหมต่างกันคนที่จะได้ของรีสกีมีทั้งหมด10อย่างนี้ล่ามาบ้านหอย่างหรือเจอย่างนะยังมีอีกสองสองสอย่างหรืออาทิตย์หน้านี่พูดเรื่องผู้หญิงด้วยโอ้โหอาบัรอตตกรอกันนะอาทิตย์หน้า سبحانك اللهم وبحملك شاء الله ال إلّا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين <ت ص في ق>